ผู้ใหญ่ในเวลาที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนแต่แล้วก็นอนไม่หลับตัวอย่างเช่นนี้มีมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะถือเอาสาเหตุทั้งร่างกายมาเป็นข้ออ้างว่าเด็กหลับง่ายเพราะร่างกายต้องการจะพักมากๆเพื่อให้โตเร็วสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะให้ท่านได้พิจารณาเป็นพิเศษก็คือประเด็นที่เด็กล่ามาแล้วว่า เด็กหลับง่ายเพราะอารมณ์ค้างไม่มีจิตใจเด็กไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นเหมือนผู้ใหญ่เด็กลืมง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายประเด็นนี้โปรดจำเอาไว้และอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องร้ายแรงที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนทั่วไปทั้งในทางร่างกายและในทางจิตใจนั่นก็คือความทุกข์ในทางจิตใจ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 ความกดดันในทางอารมณ์มีมากบุคคลประเภทนี้นับว่าเป็นคนที่อาภัพสำหรับในเรื่องการฝึกสมาธิและเป็นคนหลับยากด้วยแม้จะเป็นเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนก็ตามขอให้สังเกตว่าความทุกข์ในด้านจิตใจที่เกิดบ่อยๆและสะสมเอาไวน้นี้จะมีผลร้ายเท่ากับโรคมาเร็งของร่างกายโรคมาเรงในทางจิตใจนี้ เวลานี้กําลังแพร่หลายอยู่ในหมู่สังคมยังกว้างขวางมากข้าพเจ้าได้มองเห็นความจริงข้อนี้มานานแล้วอยากจะหาทางช่วยเหลือแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะปัญหาต่างๆที่ทำให้คนเราไม่สบายใจนั้นเดี๋ยวนี้มันมีมากมายและบีบคั้นคนทุกวันนี้เกือบจะทุกทางเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากมากนอกจากทางรัฐบาล กับทางองค์การคณะสงฆ์จะได้ร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการนี้โดยเฉพาะเท่านั้นเหตุการณ์ที่ว่านี้จึงคลี่คลายออกไปได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะจะต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายและจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเก็บกับเรื่องงานนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินงานข้าพเจ้ารู้ดีว่าถ้ารัฐบาลจะทาแต่ฝ่ายเดียว หรือทางคณะสงฆ์จะทำแต่ฝ่ายเดียวงานอันนี้ไปไม่ได้แต่ถ้าทางคณะสงฆ์กับทางรัฐบาลร่วมมือกันจัดตั้งสถาบันอันนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะและจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดว่าจะทำเพื่ออะไรกันแน่เมื่อทาตามหลักการอันนี้งาน บ, บําบาดความทุกข์และส่งเสริมความสุขในทางจิตใจจึงจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ พระพเจ้าได้ชี้ประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งให้ท่านทราบแล้วว่าเด็กนอนหลับง่ายเพราะความทุกข์ในทางจิตไม่มีส่วนผู้ใหญ่นอนหลับยากเพราะความทุกข์ในทางจิตใจมีมากอันหนึ่งความทุกข์ในทางจิตใจที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นในเมื่อเราเปลี่ยนอารมณ์แล้วความทุกข์ก็หายไปจิตใจกลับมีความเรื่นเริงขึ้นมาอีกนั้นขอได้โปรดสังเกตว่าความทุกข์ที่มันหายไปนั้น ไม่ได้หายไปเลยทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีวิบาสเกิดขึ้นในสันดานเช่นเดียวกับความรู้ทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็สะสมอยู่ในสันดานข้อนี้โปรดสังเกตไว้ให้มากคนส่วนมากไม่ค่อยนึกถึงอันตรายจากจุดนี้แต่ที่ข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้ดีก็เพราะข้าพเจ้าเห็นตัวอย่างจากคนที่มาฝึกสมาธิกับข้าพเจ้า คนส่วนมากฝึกสมาธิขั้นสูงไม่ได้หรือแม้แต่สมาธิขั้นธรรมดาก็ฝึกไม่ได้มักจะง่วงนอนและฟุ้งซ่านเสมอจนกระทั่งควบคุมจิตใจไม่อยู่สาเหตุส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จุดนี้และสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงโดยทั่วๆไปสมัยปัจจุบันตอนกำลังรุ่นสาวสุขภาพทางร่างกายมักจะดี แต่พอมีอายุย่างเข้าย0สิบไปแล้วมักจะผอมซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนแต่เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นมามีหลายคนบำรุงเท่าไรก็ไม่ขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะผู้หญิงซึ่งอยู่ในวนัยนี้ถ้าหากได้มีโอกาสแต่งงานและชีวิตของการแต่งงานมีความสุขคนที่ผอมอยู่แล้วก็จะกลับอ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนคนที่ถึงวัยที่ควรจะแต่งงานควรจะมีความรักอย่างสดชื่น ตามความนึกคิดของตนเองแต่แล้วก็ไม่ได้หรือได้แต่ก็ไม่สมใจผู้หญิงประเภทนี้ส่วนมากจะผอมบำรุงเท่าไรไม่อ้วนผู้หญิงทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการครองชีพบีบรัดมากคิดจะแต่งงานได้พบคนที่ตนเองรักแล้วแต่ก็ทาไม่ได้เราะปัญหาเรื่องการครองชีพปัญหาต่างๆในทำนองนี้ในฝ่ายชาย ก็มีพอๆกันหรืออาจจะมีมากกว่าเสียด้วยซ้ำแต่เนื่องจากผู้ชายมีทางออกได้ง่ายกว่าแล้วเรื่องวัยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาไม่เหมือนกับผู้หญิงซึ่งเมื่ออายุผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีรู้สึกว่ามันมีความหมายมากและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผู้หญิงซึ่งอยู่ในวนัยนี้สุขภาพไม่ดีทั้งๆั้ที่ไม่มีโรคทางร่างกายอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ดี เท่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อสังเกตอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้าหมายความว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงในวนัยนี้มีสุขภาพไม่ดียังมีอย่างอื่นอีกหลายอย่างหมายเหตุผู้อ่านเรื่องความผอมและอ้วนนั้นผอมคือผอมเกินไปผอมแบบสุขภาพไม่ดีและอ้วนทนสมบูรณ หมายถึงสมส่วนสุขภาพดีซึ่งจะต่างจัด ก, การผอมหุ่นดีหรืออ้วนแบบน้ำหนักเกินสุขภาพเสียเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาทางจิตใจที่ส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายนะครับ